บุ๊ก <Book> 2แปดสิบสี่ชั่วอาร์อดีตการ์สี่ก็จตชัออ่านข و น ن ด่นผมอ่านแล้วมันเดม ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว ม, ม, มันโรแนเเข้าใจฝ่ามีดันผมเข้าใจแล้วมันฝ่ามีดอมผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว ม, ม, มันมตราฝมีดอม ตอบ Jawab Do d ผมตอบแล้วมัน Jawab Do ผมตอบคาถามทั้งหมดแล้วมัน b e t a ا o m i e s o a l a د p o s อ o ผมทราบแล้วผมได้ทราบแล้ว Man อ n r a m i d มันออนรอมีดนิสตอามผมเขียนผมได้เขียนแล้วมันออนรอมีเนวิซามมันออนรอเนวชเตอามผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้วมันออนรอมีชนะบามมันออนรอชนะีไดอามผมกําลังรับผมได้รับแล้ว มันอนรามีอวร์ม enfin ัมันอนราอวาร์ดอ่ะมผมกำลังนำมาผมได้นำมาแล้วมันอนรามีอวร์ดมัมันอนราอวรดอมผมซื้อผมได้ซื้อแล้วมันอนรามีคาร์มมันอนราขรดดอม ผมคาดไว้ว่าผมได้คาดไว้แล้วว่ามันม o n ร a z e r o n h a s ม a man m o n t a z อ r ผมอธิบายผมได้อธิบายแล้วมันอ n นร tozih mida มมันอ n anra tozih d ผมรู้ผมรู้แล้ว من آن را می‌شناسم. من آن را م ی ‌ ش ن ا خ ت م